บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในส่วนของขันธปภ ะ, ะคือหมวดแห่งขันธห้าประการเฉพาะในม า, าสติปฐานในสูตรนี้ส่งสอนในบุคคลผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติ ตั้งสติสัมปชัญญะความเพียรและลึกรู้ขันที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นคือตัวของขันข้อนั้นๆความเกิดของขันแต่ละขอ้อและความดับของขันแต่ละขอ้อแต่ในแง่ของความไม่จริงแล้วขันนั้นจะปรากฏแก่คนอย่างต่อเ น, นื่อง เยงแต่ว่าในการกําหนดระลึกพินิจพิจารณาบุคคลปรารถนาจะกําหนดระลึกขันข้อใดเป็นอารมณ์ในขณะนั้นๆก็ไปเพ่งพินิจพิจารณาอยู่เฉพาะขันตัวนั้นพวกกลุ่มของขันนั้นอยู่ในกลุ่มของทุกขสัตว์อย่างที่ทราบแล้วการพิจารณาจึงมุ่งเน้นไปที่ สภาวะที่แท้จริงของขันทั้งหาประการอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นหรือมั่นของบุคคลนั้นโดยที่จริงแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่การจะมองเต็มพื้นที่อย่างนั้นการพูดมันก็พูดง่ายแต่ว่าใจที่มีกิเลสยึดเหนียวเอาไว้มากๆ ถูกย้อมเสียไว้มากๆจะไปเห็นชัดเจนขนาดนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องอยากเพราะจะมีการอธิบายการแก้ต่างให้แก่ขันเท่านั้นอยู่สม่ำเสมอตำนองคล้ายๆกับมองในเรื่องของความปฏิกูลซึ่งเป็นการมองสรุปขันแต่ก็เน้นไปที่ตัวรูปขัน นันที่จริงในความรู้สึกนึกคิดของคนแต่และคนนั้นก็มีความรู้สึกวากายตนและกายบุคคนอื่นเป็นของปฏิกูลนแต่เราก็สามารถแก้ตัวด้วยการชำระสระด้วยการอาบน้ําโดยการอบกลิ่นด้วยการปรับพรมด้วยของหอมด้วยการพยายามแก้ไขความปฏิกูลต่างๆไม่ให้ปรากฏขึ้นมันก็อยู่ได้เป็นจังหวะจังหวะไป มีความรู้สึกหลอกตัวเองไปได้เรื่อยๆว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเพื่อดาการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมะซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นพึงสังเกตว่ามันต่อสู้กันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆพระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างหนึ่งแต่เราก็ส่วนหนึ่งที่จึงก็ประฟัง แต่การจะละดได้อย่างที่ทรงสอนไว้ก็กลับเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างายิงย่งเรื่องขันทั้งห้านั้นเราก็สวดกันมาตั้งแต่เริ่มสวดหมดตล้วเมื่อกล่าวโดยสรุปขันทั้งห้าเป็นทุกข์จนถึงกําหนดให้เป็นบทสาธยายบทท่องบทสวดไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมาก จนถึงก็จัดเข้าเป็นกลุ่มของอภินหาพั จ, จเวกขณะคือข้อที่จะต้องคิดอยู่สม่ำเสมอคิดไป บ, บ่อยคิดเนืองเนือ ค, นคิดจนเห็นตามคล้อยตามไปตามความจริงเหล่านั้นแต่ในภาคปฏิบัติแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตว่าหากจะตั้งปัญหาถามว่าเราพิจารณาวัชาราธรรมภิเป็นต้นมากี่ครั้งแล้ว นับไม่ได้เป็นพันครั้งหมื่นครั้งจะถามว่าโดยพื้นจริงๆแล้วใจเรายอมรับถึงความจริงเหล่านี้หรือไม่เมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นหรือเมื่อเกิดขึ้นแก่ตนความรู้สึกปฏิเสธเช่นสมมติว่าคนเกิดเรียกตาเรียกลุงเรียกนา้าเรียกอาเก้นมาเรารู้สึกปฏิฆะคือไม่พอใจไหม จะมีความรู้สึกเหล่านั้นแสดงว่าปฏิเสธสัจจะตัวนี้เราไม่ต้องการให้แก่ไม่ต้องการให้เจ็บไม่ต้องการให้ตายไม่ต้องการให้พลัดพรากแล้วเกิดท้าโศกเสียใจเมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้เป็นการชี้เห็นถึงว่าจิตเรายัางต่อต้านยังไม่ยอมรับความจริงเป็นอย่างนั้นก็จริงเราก็สวดได้เราก็ว่าได้แต่พอเกิดแก่เราใจเรายอมรับไม่ได้ นันแสดงในลักษณะการต่อต้านอะไรเป็นเหตุให้ต่อต้านเพราะกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของบุคคลมันปิดบังปัญญาที่จะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆถึงสังเกตว่าที่จริงแล้วเป็นปริยายของธรรมะเท่านั้นเองส่งสอนไว้โดยอนเนกปริยายคือที่นั้นที่นี้ที่โน้อนอย่างนั้นอย่างนี้ สรุปก็แนวเดียวกันคือต้องการให้มีการรู้แจ้งขินจริงถึงสภาวะที่แท้จริงของขันทั้งห้าจนสามารถถ่ายถอนตัณหามาณทิจิที่มีอยู่ในขันทั้งห้าลงไปหรือย่างน้อยก็ลดละลงไปได้ไปรับความสุขความสงบที่เกิดขึ้นจากการรู้เท่าทันตามความเป็นจริงมันตาบใดที่ใจยังต่อต้านอย่างปฏิเสธ ใจยังไม่ยอมรับจนละกิเลสได้การเจริญกรรมาฐานในแต่ละข้อซึ่งเป็นอุปการะของกันและกันค้านี้บนสังเกตคล้ายๆกับเรารถน้ำต้นไม้ที่โคนมันก็ดูดซึมใเหล่อเลี้ยงจนถึงปลายไปรดลงมาจากปลายมันก็ดูดซึมหล่อเลี้ยงกันมาจนโคนการวิวัอธรรม ก, ก็เป็นเช่นนั้นคือ ธรรมะเกิดขึ้นในจุดใดก็ได้ไม่แปลกอะไรก็สาคัญว่าเกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้าเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจอิทธิพลของธรรมะที่ังเกิดขึ้นนั้นเองก็จะดึงธรรมะเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นจะกลับมาบวกกับพื้นฐานเดิมเคยเชื่อหรือบารมีเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็ทาให้กลายเป็นกาลัง ที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับอารมณ์อย่างน้อยไม่มีอะไรก็ส ย, าาก ส, สยบอำนาจกิเลสสยบอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นออกไปได้การพิจารณาขันทั้งข่าโดยวิธีนี้ถึงสังเกตว่าโดยวิธีนี้ที่จริงก็สรงสอนหลายวิธีเป็นอุบายวิธีประการหนึ่งที่จะให้เกิดความรู้เห็นถึงความจริงของขันทั้งข่า แต่เป็นความรู้เห็นที่เข้าถึงใจหมายความามคาว่ารู้บไม่เห็นในความหมายที่พึงประสงค์นั้นปัญญาต้องเกิดขึ้นกิเลส ต, ต้องลดลงแทนที่กิเลสจะคุ้มครองใจปัญญาจะขับคุ้มครองใจแทนที่จะทำอะไรไปตามอนนาจของกิเลสจะเป็นการทำอะไรไปตามอำนาจของปัญญาจนปัญญาเป็นใจคือปัญญาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจทีกว่าใจที่มีปัญญา ให้คนนี้พึงสังเกตว่าพอถึงจุดหนึ่งนั้นจะส่งชายคำว่ามีหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราได้ฝึกปรืออบรมประพฤติปฏิบัติจนธรรมะเหล่านั้นเป็นอนันต์อนเดียร์กระจเกิดขึ้นปรุงจิตอยู่ตลอดหรืออย่างต่อเนื่องทําให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาของเราเป็นการแสดงออกของธรรมะ เรีกว่ามีศีลมีธรรมมีความอดทนมีความละอายมีความเมตตามีความกรุณาเป็นต้นคือถ้าใช้คำว่ามีแล้วแสดงว่าธรรมะจะต้องมีอยู่มากพอสมควรในหลักใจที่คุ้มครองใจตัวเองได้พราะนะคําว่ามีความรู้เห็นตามความจริงเกิดขึ้นในสัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน แล้วทีเคยกล่าวไปแล้วว่าสัญญากับเวทนานั้นเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ปลนปลื้จิตของคนให้ลองสังเกตดูว่าถ้าในจิตของเราไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาอยู่เลยคือเราจะแสดงอะไรออกมาไม่ได้คล้ายกับเด็กเกิดแววมาถึงสัญญาเวทนานั้นอย่างหูุดลึกพ้นสัญญาใหม่ ที่ก่ให้เกิดเวทนาใหม่ของแกก็คือหนาวร้อนจึงเกิดการเสียดแทงกับปรากฏการณ์ธรรมชาติมันเด็กเกิดมาก็ร้องเป็นการร้องตามสัญชาตญาณแต่เมื่อรับสัมผัสเหล่านั้นแล้วแกก็เก็บไว้ต่อไปก็จะกลายเป็นสัญญาจะมีการทั้งหัวรอทั้งร้องให้ เพราะการเก็บการสะสมไวเ้เก็บสะสมไว้ทั้งสองทางคือทางที่ให้เกิดการโวรร้อกก็มีทางร้องให้ก็มีรา น, นไม่รับประสบสิ่งที่เธอเก็บไว้ในฐานะพอใจแต่ก็โวรร้อกเก็บไว้ในฐานะไม่พอใจแต่ก็ร้องให้แต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่ความจํำก็เราสลับซับซ้อนสติปัญญาเราก็แตกต่างกัน เพราะความอย่างรู้ในสิ่งที่เราจำแม้แต่เรื่องเดียวกันจะดีก็ตามจะไม่ก็ตามแต่คนก็จะเห็นคุณเห็นโทษไม่เหมือนกันและจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันนี่ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอีกประการหนึ่งสัญญาคืออะไร สัญญานั้นเราแปลเป็นสำนวนว่าความจำได้หมายรู้ถึงสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพรันสัญญาจึงมีหกเช่นเดียวกับเวทนามันจะมีที่มาอยูหกทางเท่านั้นไม่มีทางที่เจ็ดแม้จะเป็นความจำพิเศษจนถึงระลึกชาติก่อนได้ต่างๆ มันก็เป็นเรื่องสัญญาที่ผ่านมาในอดีตเก็บสะสมไว้ภายในใจของบุคคลในใจถูกรกะจัตวิชาออกไปสิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏแก่ใจทำให้ท่านเกิดรู้เป็นรูปของยาดขึ้นมาเพราะในชีวิตประจำวันของบุคคลมันจึงมีอาการคล้ายๆกับเวทนาอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะก็ติดกัน เพราะมีสัญญาจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีสัญญาให้ลองสังเกตว่าความจําของเรานั้นเป็นตัวกําหนดให้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดยินดียินร้ายแต่ในขณะเดียวกันตัวความยินดียินร้ายนั้นเด้งก็ให้เกิดความจําเช่นรับประทานอาหารอะไรอย่างหนึ่งครั้งแรกแล้วก็เกิดพอใจในรสชาติของอาหารเหล่านั้นสแสดงว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดสัญญา ก็จะหมายอาหารเหล่านั้นเอาไว้ว่าอาหานี่อร่อยพล้วก็เกิดความอยากความต้องการที่จะรับประทานอาหารเราดนันต่อไปเพราะนั้นคำว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่เอาแน่ไม่ได้ปัญหาว่าช่วงไหนกระถ่ายกระไก่กระไขอะไรเกิดก่อนหรือมะม่วงก็ต้นมะม่วงอะไรเกิดก่อนเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนกันก็ต้องว่ากันเป็นช่วงๆ ว, ว่ากันเป็นขณะว่าไก่ตัวนั้นกระไขใบนี้ ใครเกิดก่อนเกิดหลังยังจับคู่อย่างนั้นได้แต่ถ้าพูดคลุมคุมมันก็ต้องตกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันนั้นสัญญากับเวทนาจึงเป็นปัจจัยของการแลกกันเราจะว่าสัญญ า, กเก า, าเกิดก่อนก็ได้จะว่าเวทนาเกิดก่อนก็ได้แต่พูดกันในกรณีไหนสิ่งที่เราจําจึงกลายเป็นสิ่งที่เป็นรูป สิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นเจ็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งที่เป็นอารมณ์ต่างๆซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่เรารับรู้มาทางประสาทสัมผัสทั้งหนั่นเองแล้วเมื่อเก็บไว้ภายในใจมันก็กลายเป็นสัญญาคือความทรงจำ ต่เหตุเกิดกองสัญญาเกิด อ, อะไรเพระทรงสอนให้ดูสามชุกดูตัวขันดูตัวเหตุเกิดของขันดูความดับของขันสัญญานั้นมีปัจจัยเช่นเดียวกับเวทนาเพราะที่จริงก็เป็นอาการของจิตเหมือนกั น, จ, น, นจิตทําหน้าที่สวยอารมณ์เราเรียกว่าเวทนาจิตทําหน้าที่จําอารมณ์เราเรียกว่าสัญญาทา่านั่นเอง ปณเหตุกิ เ, เหตุเกิดของสัญญาจึงมีทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมที่เป็นนามธรรมมันก็อยู่ในกฎซึ่งเคยพูดมาอย่างต่อเนื่องในกฎปัจจัยากาลในกฎของปฏิจจสมุ ป, ปาคือมีวิชาตัญหาอุปาทานกรรมนี่เป็นเหตุเกิดของชีวิตแต่ว่าตัวสัญญาในแต่ละขณะในแต่ละวัน ตั้งแต่เราเกิดมานี่มันเกิดมาจากสัมผัสคือการกระทบไม่ยคามาในแต่ละวันนั้นตาเราก็เห็นรูปเป็นต้นหูตาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมกูกดมกลิ่นลิ้นนิ้วดกายทูกต้องยินร้อนอนแข็งในช่วงที่ประจบกันสว่างอายตนาภายในภายนอกนั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิญญาตซึ่งเป็นขันอีกขันหนึ่ง แล้วก็อาศัยทำสามประการนี้แหละมาประชุมกันนั้นถ้าจเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสแปลว่าการกระทบเมื่อกระทบแล้วมันก็เกิดเป็นเวทนาคือการสะวยอารมณ์เฉพาะในกรณีแรกเนฉะพาะในกรณีที่กระทบครั้งแรกถ้ากรณีครั้งสองนั้นสัญญาอาจจะมาก่อนก็ได้หรือจําได้ ทีนี้พอเกิดเวทนาขึ้นไปแล้วสัญญามันก็ออกมาในรูปของตามเวทนาเหล่านั้นกลายเป็นสัญญา6ท่นเรียกเป็นสำนวนบาลีว่ารูปสัญญาจำรูปสัทธาสัญญาจำเสียงขันทัศสัญญาจำกลิ่นรสสัญญาจำรสปวดพระสัญญาจำเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวคือคำว่าปวดพระนั้นเป็นภาษาบาลีที่ไม่ยอมเป็นภาษาไทย คือพูดเป็นไทยแล้วคนเกิดไม่เข้าใจรูปเสียงกลิ่นรสพูดเข้าใจแต่พอถึงผูดพระแล้วไม่เข้าใจมันเป็นภาษาที่เกิดยากมากคนตัวนี้เราจึงเสียงว่าสัมผัสจะบ้างเรียกว่าเย็นร้อนหนอนแข็งยึดเหนียวเป็นต้นบ้างเพื่อเกิดเป็นความเข้าใจแล้วสิ่งเหล่านี้เราเก็บไว้ภายในใจ เก็บสะสมจิตนั้นมีหน้าที่ประการหนึ่งในคําว่าจิตธาตุาจินธนธาตุแปลว่าการเก็บการสะสมอารมณ์เพราะในชีวิตของบุคคลเราแต่ละคนเราเติบโ ต, ตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันการเก็บการสะสมอารมณ์ของเราจึงเก็บสะสมไว้ปิดแผกแตกต่างกันออกไปเป็นความรู้บ้างเป็นความไม่รู้บ้างรู้มากบ้างรู้น้อยบ้าง เหตุเกิดกิเลสบ้างเหตุเกิดของธรรมะบ้างนี่มันไม่แน่นะฮะว่าจะเป็นเหตุเกิดของอะไรนี่เราก็กำหนดไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสภาพการจำใจภายในใจของบุคคลขอให้เราลองสังเกตดู ง, ง่ายๆว่าพระพุทธปฏิมาที่สวยงามวงใดก็ได้ ในความจำของพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดต่อพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นวิปุจ ني ยวัตถุที่ควรแกการเคารพสักการะอย่างจริงเมื่อไปเห็นก็ต้องเรียบข้าวไปกราบไปไหว้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนาฏใจเพราะอะไรเพราะในความรู้สึกนึกคิดของพุทธศาสนิกชนนั้นเป็นความทรงจาที่ดี แต่ถ้าพุทธศาสนิกชนเหมือนกันแต่ก็ไม่เคร่งครัดมีความโลภครอบงําใจพอเห็นพระพุทธปฏิมาอย่างนั้นถ้ายิ่งทองคําแล้วก็คิดว่าทํำยังไงจะขโมยไปขายได้เพ ร, ะราะอะไรเพราะในความทรงจําของแกนั้นมีกิเลสรุ่มรุมอยู่จะมองถึงสิ่งที่จะได้ได้จากพระ ในรูปที่เป็นเงินทองวัตถุสิ่งของหรือาศาสนาประเภทอเทวนิยมที่ปฏิเสธการมีรูปเคารพมองแล้วเกิดโทสะมุ่งที่จะทำลายล้างสิ่งเคารพทั้งหลายรูปเคารพทั้งหลายอย่างการกระทำของพวกต่างศาสนาบางศาสนานี้เราสังเกตว่าการเห็นมันก็รูปอย่างเดียวกัน แต่การเสวยอารมณ์นั้นเสวยต่างกันเพราะใจกําหนดอารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะเมื่อเห็นอีกความรู้สึกของคนเหล่านั้นก็แตกต่างกันที่จริงมันก็แตกต่างกันมากกว่านั้นอาวัยคนยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแตกต่างมากขึ้นท่านี้ในความเป็นพระพุทธรูปนั้นเองบางคนไหว้ด้วยน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนทรัย ถือว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นเพียงปฏิมาคือสั ญ, ญลักษณ์ในตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ให้เจรจิตใจเราน้มน้อมไปหาพระคุณของพระพรทธจ้แต่ก็จริงแล้วใจคนมีสักกี่คนที่จะไม่ยึดติดอยู่ในองค์พระเหล่านั้นที่จะพุ่งเข้าหาพระพุทธคุณได้จริงๆ ล้วจะมีสกิ่คนที่ไม่มองในรูปครั้งศักดิ์สิทธิ์อำนาจการโดนบันดาลประสิทธิ์ประสาาสิ่งที่เราต้องการจะขอหวยขอเบ อ, อ, เบอจากหงพ่ออะไรต่อไรนั้นแต่และอย่างเป็นเรื่องของสัญญาที่มีความสลับซับซ้อนมีความผิดแปลกแตกต่างกาันตามพื้นฐานของการทรงจำพ่นจุดเน้นในการประพฤติปฏิบัติ ท่านเน้นที่ตัวอาหารคือตัวผันสัมผัสหรือผัสสะที่การกระทบนี่พึงสังเกตว่าสัญญานั้นเปลี่ยนของไม่เที่ยงเราลืมนี่เรียกว่าลืมกันทุกคนบางทีไม่ต้องเอาอะไรมากฟังเทศเสร็จก็ลืมแล้วอ่านหนังสือจบบทก็ลืมหมดแล้วคือเป็นเอาขนาดนั้นเพราะสัญญาไม่เที่ยงนี่ดูได้ชัดมาก มันไม่เที่ยงเอเรลเรลมากกว่าเวทนาแต่อีกบางทีในเมื่อมันไม่เที่ยงที่จริงมันก็ดีประการหนึ่งคือทําให้เราไม่ต้องจําในสิ่งที่เราไม่อยากจําแล้วก็พยายามที่จะจําในสิ่งที่ต้องการจะจําแต่ว่าจริงแล้วใจไม่ได้เป็นอย่างนั้น ้เราสังเกตคำพาติดไทยที่บอกว่าชั่วหนึ่งทีพาดีไม่รอดร้อยดีพันดีชั่วหนึ่งทีพาดีไม่รอดไม่เป็นการแสดงสภาพจิตสภาพจิตของคนว่าคนเราจำความชั่วของคนอื่นได้ง่ายเรามาเก็บเอามาวิตกกังวลเอามาเครียดแค้นจริงจังต้องการที่จะโต้อตอบทำลายล้างกันโดยวิธีการต่างๆแต่ความดีของเขากลับลืมเลือน เพราะเราจึงมีลูกที่อากตันอยู่ต่อพ่อแม่สิทธิ์อกตันอูต่อครูปาอาจารย์ผูดน้อยอากตันอยู่ต่อผู้ใหญ่เพื่อนอากตันอยู่ทรยศเพื่อนอะไรทต่ไหนด้วยใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ดีแล้วจับมาเป็นจุดที่แข็นเคืองจะต้องโต้ตอบจะต้องแก้แค้นจะต้องทำลายล้างอิสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นคุ้มครองใจ พิจารณาเทียบเคียงบวกลบคูณหารระหว่างความดีกับความไม่ดีของเขาในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนเรานั้นดีกันกว่ามไม่ดีโดยเฉพาะคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน่เหลือเกือกูดกันจนอาการเหล่านี้แม้แต่เป็นสามีพัน ญ, ญากันแม้แต่พ่อแม่กับลกูกแม้สามีพัน ญ, ญากันนั้นที่จริงเป็นคู่ทุกข์คู่ยากต่อสู้ปัญหาชีวิตกันมาด้วยกัน ถ้าพูดถึงส่วนดีระหว่างของบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องมีมากกว่าส่วนไม่ดีแต่ว่าดีส่วนดีจําไม่ได้ไม่อยากจำถ้าเกิดไปจํามาส่วนที่ไม่ดีจิตใจของคนจึงมีความปริวิตกมีกงังวลมีห่วงใยมีอึดอัดขัดข้องไปด้วยระการต่างๆตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าภาษะคือการกระทบทางใจ ทิ่มันกรแทกแรงแล้วเป็นรอยช้ำในดวงใจกลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแทนที่จะเป็นอารมณ์ที่ดีเพรางความตรึงตราต่างๆที่เราควรจะได้รับจากการศึกษาจากการพินิพิจนาจากการอ่านการค้นคว้าการฟังการสนทนาเรื่องของป ร, รัตนาไตรที่ยิ่งก็มีมากแต่ว่า ไม่มีแรงกับแท่กระทันใจสูงเพราะปัญหามันก็อยู่ภายในใจองีท่านนี้เพิงสังเกตว่าคนบางคนแม้แต่ได้ยินคำว่าบุทรโตโลเกอุปัโนเปราพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอย่างที่เคยเล่าเรื่องอัตนตนาตบินทิกเศรษฐีกับประมากับปีนาประนางอโนชาให้ฟังท่านทั้งหลายจะเห็นว่า ด้วยข้อความสั้นๆเพียงสามคำบุตโธโลเกอุปันโนแปลว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นความสัมผัสที่กระแทกใจสูงมากจนถึงกับท่านเหล่านั้นสลัทรัพย์สิงคารทั้งหลายสานาความเป็นใหญ่ทั้งหลายที่ตนได้จากสังคมออกบวช อุทิศต่อพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ที่ไหนตัวเองยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเกิดขึ้นแล้วในโลกทอนนั้นเองเพราะพื้นฐานทางใจเคยกลับเป็นฐานที่มีความสำคัญดีวระการรับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสนี่มันมีบางครั้งที่เราสัมผัสอารมณ์ในแนวเดียวกันเช่นตัวอย่างการมาฟังธรรมะ ในโอกาสเดียวกันชั่วโมงเท่ากันเวลาเท่ากัน30มนาทีเท่ากันนี้แสดงว่าเฉพาะในขณะนี้แล้วสัมผัสที่กระทบใจโดยเฉพาะอย่างนี้คือกระทบหูโสตสัมผัสคือการกระทบทางหูเราก็ให้สุขกเวทนาให้ทุกขเวทนาต่างกันมีความตึงใจมีความรับใจมีความเข้าใจได้ไม่เหมือนกัน พราตัวสัญญานั้นท่านจึงเน้นที่การทรงจําแต่ไม่เน้นที่การทรงจําเน้นที่การทรงจํำยังไงอะไรเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพัฒนาการด้า น, นจิตจิตเลิละกิเลสบรรเทากิเลสให้สงบโปบางลงไปก็ทรงสอนให้เพิ่มบูญความจําในเรื่องเหล่านั้นพราในชั้นของการศึกษาที่เรียกโพหุสูตร ในข้อที่สองแข้อที่สามจะว่าไว้ทุกแข่งเหมือนกันทุกแข่งด้วยเรียกวัฏตาคือทรงจําวจสาปริจิตาคือท่องไว้ได้ไว้ด้วยวิจาการท่องไว้ได้ไว้ด้วยวิจานั้นบางครั้งทรงใช้คําที่มีลักษณะเคลื่อนไหวแรงกว่านั้นว่าวาจุกตาคือคล่องปากท่องได้คร่องปาก หมายความมานนำมาสาธยายมาท่องบนว่าได้คร่องปากแต่เป็นการจำสิ่งที่ดีๆจึงสง่ส ง, สงส่งสั่งสอนสนับสนุน ส, งส่งเสริมไม่เกิดการจำแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สนับสนุนการจำการจำบางอย่างจใจเราส ง, งบดีๆอยู่แล้ว กิเลสก็สงบไปพอสมควรพอเหนียวนึกถึงเรื่องที่เราจำไว้หรือว่าเกิดทรงจำอะไรที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรเอาไว้เป็นการกระตุ้นกิเลสโลภะโทสะโมหะแล้วเกิดไปจำสิ่งเหล่านั้นเข้าความเปลี่ยนแปลงทางจิตความฟุ้งซ่านทางจิตก็าบังเกิดขึ้นวันจึงทรงสอนในวินิจฉัยอารมณ์อารมณ์นั่นเขาเข้ามาแล้ว แต่มันควรจะจำหรือไม่ควรจะจำที่จริงเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติที่เราใช้ใคล้ายคล้กับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในบ้านเราหรือเข้าของต่างๆที่มีการได้รับมีคนให้มีอะไรแต่ไหนมันต้องต้องมีการวินิจฉัยว่าควรเก็บไว้หรือไม่ควรเก็บไว้ ถ้าถามมาเก็บว่าทาไมไม่เก็บทําไมจึงไม่เก็บไปก็เราก็จะได้คําตอบเองว่าสิ่งที่ทําไมจึงเก็บไปเพราะว่าเก็บไปแล้วเราจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในโอกาสนั้นๆในกรณีนั้ น, น, นแต่จะถามว่าทําไมจึงไม่เก็บไปก็เพราะเก็บไปแล้วก็จะนําปัญหานําความทุกข์นำความเดือดร้อนมาให้ มันก็ลักษณะที่เป็นรูปธรรมเป็นได้ง่ายๆคล้าย ก, ายกับการรับของโจรเหมือนกับการเก็บแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นภัยเป็นอันตรายแต่ขืนเก็บไว้แต่ขืนรับไว้แล้วก็นําภัยนําอันตรายมาสู่ลักษณะอารมณ์มันก็เป็นเช่นเดียวกันเรื่ออารมณ์บางอย่างนั้นถ้าไม่เก็บไว้ก็จะได้ความสงบใจก็ไม่เก็บไป ถ้าเก็บไว้แล้วได้ความสงบใจได้ความสุขใจได้ความจิงใจก็ส่งสอนให้เก็บไปเพิ่การดับของสัญญานันจึงเป็นการดับที่ผัสจะหมายความว่าถ้าใจเราไม่ต้องการให้กระทบอารมณ์ไม่ต้องการจำอารมณ์บางอย่างเราก็ไม่มีสัพพัสะหรือไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปดูไม่ไปฟังไม่ไปสูดดมไม่ไปลิ้มไม่ไปจับต้องไม่ไปเหนียวนึกไม่ตึกนึกมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ สัญญาที่จริงแล้วอยู่ในบังคับบัญชาของบุคคลแต่ละคนแต่ว่าคนก็ยอมสยบต่อสัญญาปลรอยสัญญาเหล่านั้นความทรงจมเหล่านั้นมีอบนาจอิทธิพลครอบงมใจตนเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสุอ